2. วิปัสนาภาวนาในวงเล็บการเจริญปัญญาเมื่อจิตของผู้บำเพ็ญตั้งมั่นในสมาธิจนมีกำลังดีแล้วเช่นอยู่ในระดับฌาน ต, ต่างๆซึ่งจะเป็นฌานระดับใดก็ได้แม้แต่จะอยู่แค่เพียงอุปจารสมาธิจิต <ple k> <ๆ>ของผู้บำเพ็ญเพียงก็ย่อมมีกำลัง